อานิสงหรือบุญที่แท้จริงนั้นอยู่ที่จิตใจของเรา ซึ่งก็คือการที่จิตใจมีความสะอาดสว่างสงบนั่นเองหลวงพ่อเทียนจิตตสุโพ อั น, นิี้สองก็คือผลที่เราจะได้รับอั น, นิี้สองของบุญอันนี้ถือว่าเป็นอั น, นิี้สงองแต่ว่าผลที่เราจะได้รับเกิดขึ้นที่จิตใจของเรามันเรื่องเกี่ยวกับจิตใจเรื่องของบุญเรื่องของธรรมะอย่างเช่นเราทําบุญเราให้ทานอันนี้สองของทานคืออะไรคือเกิดมาเป็นคนรวย มีทัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองอันนี้เป็นอันดับสองเรารักษาศีลศีลห้าศีล8อันดับสอที่เราจะได้รับหรผลที่จะได้รับก็คือไปเกิดในสวรรค์เป็นเทวดาเกิดเป็นนางฟ้าหรืออั น, นิับสองของการภาวนาภาวนานี่ก็คือการปฏิบัติธรรมการทํากรรมฐาน การทำสมาธิการทำวิปัสสนาอันนี้สงคือผลที่ได้รับก็คือไปสู่มรรคผลนิพพานอะไรเป็นนิพพานไปอันนี้คือผลเดียวได้รับนะส่วนทางด้านวัตถุนั้นอันนี้สงขอการทำงานจะเป็นได้รับเงินเดือนได้รับผลงานประสบผลสําเร็จงานสําเร็จอันนี้เป็นทางวัตถุ แต่ทางด้านธรรมะนั้นผลกิดที่ด้านจิตใจได้ทางใจแต่ละอย่างนี้ก็อณิสงฆ์ก็แตกต่างกันคือผลจะได้รับแต่ว่าถึงที่สุดแล้วก็ไม่ถึงว่าปฏิบัติธรรมนะทําทกรรมฐานถึงที่สุดจะได้อ น, นิสงฆ์ทางด้นานจิตใจก็คือจิตสะอาดสว่างสงบจะได้ว่าเป็นความสุขสูงสุดเลยก็ะดัถ้าเป็นความสุขนะ อันทีจริงก็คือความสะอาดความสวาม่างความสงบนี่ก็เหนือสุขเหนือทุกข์แล้วละ่ะพ้นไปแล้วหรวาเป็นนิพพานก็ได้ส่วนการให้ทานอย่างเช่นว่าผลการให้ทานอันยสอ์ทานเนี่ยก็มีเหมือนกันนะมีทต่น้านจิตใจแต่ว่ายัางไม่มากพอเท่ากับการรักษาศีลศีลนีนน่อันิสอ์ผลคือสูงกว่าส่วนการภาวนาเนี่สูงสุดเลย การให้ทานาเช่นการบริจาคเงินก่อสร้างวัตถุเช่นสร้างโบสถ์สร้างพระทุกท่านก็เคยได้ทํามาเหมือนกันการทําบุญการให้ทานการสร้างโบสถ์การสร้างพระอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นความสุขทั้งจิตใจภูมิอกภูมิใจใจเป็นสุขอันนี้ถือว่าเป็นอนิสงส์แต่ว่ายัางสู้การ ภาวนาไม่ได้การภาวนาเนี่ยมีอานิสงส์สูงกว่านั้นจะได้รับผลมากกว่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าการสร้างโบสถ์ก็ดีการสร้างพระก็ดีบางทีจิตใจเราเนี่ยยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เราสร้างโบสถ์เราสร้างพระที่เราก็เกิดความภูมิใจพอใจ คุยอวัดแล้วก็มีจารึกชื่อลงไปด้วยต้องจารึกชื่อเลยนะถ้าไม่จารึกชื่อนี่มันไม่ได้เก็จะเป็นความโลภอยู่ความโลภโอ้นี่เราได้ทําบุญไปแล้วนะเนี่ยนี่นก็ยังเป็นความโลภในบุญที่เราทําอยู่ยังมีกิเลสหรือบางทีเราสร้างไปแล้วใครบมาว่าเราไม่ดีไ ม, ไม่น่าจะบริจาคเงินไปมากมายขนาดนั้น จะแยเงินเป่าๆพอใครมาตำหนิติเตียนเข้าเนี่ยโอ้เราก็โกรธล่ะเกิดความไม่พอใจในวัตถุที่เราสร้างเราสร้างโบสถ์ไปโบสถ์นี่นานแท้กว่าจะเสร็จสร้างตั้งนานไม่เห็นเสร็จสักทีเห็นไหมจิตใจมุ่งิตรีละหรือบางทีมีใครมาตำหนิว่าไม่ดีเลยเนี่ยทรงนี่ไม่สวยพระพุทธรูปปั้นลุมนี้ไม่สวยมช่ไมบางทีเราก็ไม่พอใจมันก็ยิงมีความโกรธอยู่ มีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงมีความรักความชังการสร้างโบสถ์สร้างพระการให้ทานก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงยังตัดกิเลสไม่ได้กิเลสเนี่ยเป็นเหตุของความทุกข์ถ้าตัดกิเลสไม่ได้แล้วก็เราก็ต้องมีทุกข์อยู่ในจิตใจเราล่ลําไปส่วนการภาวนา เช่นการเจริญสติอันนี้มีอานิสงส์มากทำให้จิตใจในสะอาดสว่างสงบเป็นนิพพานชั่วขณะก็ว่าได้เช่นเวลาเราเจริญสตินะสมมติว่าเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยเรามีสติรูน้นหายใจออกเรามีสติรู้ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ แค่เพียงรู้หนึ่งเดียวเนี่ยสักเอยรู้จิตใจเราแค่รู้เฉยๆเนี่ยจิตก็เป็นปกติมีความสะอาดอยู่ในสภาวะที่รู้มีความสว่างคือรู้แจ้งอยู่ในสภาพที่รู้นั้นและจิตใจก็สงบสงบอยู่ในตัวรู้นั่นกิเลสความโลภความโกรธความหลงก็ไม่เกิดขึ้นในขณะนั้น ทุกขั้นที่เรารู้สึก mm hmm. เวลากายเคลื่อนไหวเรามีสติรู้เวลาจิตมันคิดมันนึกอะไรขึ้นมามีสติรู้ว่าอ๋อนี่จิตมันคิดแล้วแค่รู้นี่มีทั้งสติมีทั้งสมาธิแล้วก็มีทั้งปัญญาดูในขณะจิตเดียวกันจะเรียกว่าเป็นมัคเป็นผลอยู่ในขณะนั้นก็ได้เพราะจิตขณะที่รู้อยู่เนี่ย จิตเป็นปกติไม่มีอะไรปรุงแต่งมีแต่สภาวะที่รู้ล้ลวนๆเห็นไหมไม่มีกิเลสไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงมันพ้นทุกได้ในขนาดนั้นแค่ช่วงระยะแค่ลัดนีว้วมือเดียวเสี้ยววินาทีเดียวคือรู้สึกแค่มีสติรู้สึกตัวขนาดเดียวเท่านั้นโอ้จิตใจเรานี่ไปไกลเลยเป็นการตัดกิเลส สิ้นภพสิ้นชาติในขณะที่เรารู้สึกตัวนั่นแหละเนี่ ย, ยขณะแค่ช่วงขณะเดียวของจิตเท่านั้นเองพัฒนามากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเราสามารถทำให้ต่อกันไปเรื่อยทำไปเรื่อยทำบ่อยรู้สึกบ่อ ย, เ, ยนะเราก็จะได้อานิสงส์ของการภาวนาเนี่ยบ่อยคือความสะอาดความสว่างความสงบความเป็นปกติของจิต บ่อยๆจะมีบุญมากขนาดไหนจะเรียกว่าเป็นบุญที่ยอดบุญเหนือทุ ก, ก็ว่าได้เพราะนั้นเราทำบุญก็ทำไปเถอะจะสร้างพระสร้างโบสถ์สร้างวัดให้ทานก็ทำไปไม่เป็นไรทาไปเถอะมีประโยชน์เป็นบุญแต่อย่าลืมการภาวนาด้วยการรักษาศีลเราต้องจับเอายอดบุญเหนือทุกซึ่งเป็นบุญสูงสุด มีประโยชน์มากการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาแนะม้แต่การฟังธรรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญการศึกษาธรรมะฟังแล้วก็ลองพิจารณาดูและศึกษาดูอันนี้ถือว่าเป็นบุญแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญมากบางท่านอาจจะได้แต่ศึกษาได้แต่ฟังแต่ไม่เคยปฏิบัติ เราก็ได้บุญแค่การฟังการศึกษาแต่บุญอันนิสงจากการปฏิบัตินั้นเราจะไม่ได้เลยเพราะท่านก็ลงมือปฏิบัติเลยปฏิบัติเลยเจริญสติเลยแต่ไม่ค่อยได้ศึกษาปฏิบัติเลยอันนี้ถือว่าดีเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะลงทิศหลงทางได้เพราะนั้นเราก็ต้องฟังให้เข้าใจแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติจะได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างคือเข้าใจถูกต้อง แล้วก็เวลาเอาไปปฏิบัติก็ไม่หลงทิศลงทางพระพุทธองค์ยังทรงอุปมาผู้ที่เข้ามาสู่การปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือเข้ามาสนใจธรรมะเนี่ยมีอยู่สประเภททันยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องหนูหนูขุดรูหนูประเภทที่หนึ่งคือขุดแต่ไม่อยู่ประเภทที่สองคืออยู่แต่ไม่ขุด ส่วประเภสามคือทั้งขุดทั้งอยู่หนูประเภทที่4คือไม่ขุดแล้วก็ไม่อยู่พระอง์ท่านยกตัวอย่างหนูหนูประเภทแรกคือขุดรูแต่ไม่อยู่รูเนี่ยการขุดรูก็คือการศึกษาธรรมวินยัยศึกษาธรรมะแต่ว่าไม่ยอมอยู่รูการอยู่รูคือการปฏิบัติคือได้แตศึกษาฟังอ่าน แต่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติเลยอันนี้หนูประเภทแรกก็ดีนะแต่ว่ายังไม่ดีมากยังไม่ดีกว่าประเภทที่สองคืออยูร่รูแต่ไม่ยอมขุดอยูร่รูแต่ไม่ยอมขุดรูก็คือลงมือปฏิบัติเลยถึงก็ตั้งท่าปฏิบัติตันทีเลยไม่ได้ศึกษา ม, มาก่อนบางทีก็หลงทิศลงทางเหมือนกันนะแต่ก็ยังดีนะจะได้อันนี้สงจากการปฏิบัติประเภทที่สามก็คือ ทั้งขุดรูคือทั้งศึกษาแล้วก็ทั้งอยู่รูแล้วก็ปฏิบัติ ด, ด้วยนะศึกษาด้วยแล้วก็ปฏิบัติ ด, ด้วยอันนี้พระพุทธองค์ท่านสารเสด็จคือศึกษาฟังให้เข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัตินะอ่านแผนที่แล้วก็ลงมือเดินด้วยทําหน้าที่เดินด้วยประเภทที่สี่คือเพศที่ไม่ยอมขุดคือไม่ศึกษาเลยไม่สนใจธรรมะเลยหันหลังให้เลยแล้วก็ไม่ยอมอยู่ ไม่ยอมขุดรู้แล้วก็ไม่ยอมอยู่รู้ศึกษาก็ไม่ศึกษานะแล้วก็ไม่ปฏิบัติ ด, ด้วยหันหลังให้พระสัตว์ทำไปเลยอันนี้ถือว่าเสียประโยชน์ในการเกิดมาแล้วท่านมาฟังอยู่ประเภทไหนก็ยกระดับให้แค่การฟังเนี่ยก็ถือเป็นการศึกษาแล้วเราไม่ต้องศึกษามากมายต้องไปเข้าห้องเรียนเรียนหนังสือกันเป็นวันวันไม่ต้องอย่างนั้นเราศึกษาเฉพาะตัวการปฏิบัตินะศึกษาให้เข้าใจ ว่าการเจริญสติเนี่ยทำอย่างไรมีวิธีทำทำอย่างไรทำที่ไหนทำเมื่ อ, อไหร่ศึกษาวิธีการแล้ววพอเราเข้าใจวิธีการแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติเพื่อให้มันเข้าถึงธรรมเข้าถึงสัจธรรมคือเราขุดรู้ด้วยแล้วก็อาศัยอยู่ด้วยได้ประโยชน์ทั้งสองอยา่างเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะไม่ต้องศึกษารรมาฟังไปเถอะฟังแล้วก็ น้อง น, นำเอามาปฏิบัติด้วยหรือนนว่าเป็นการศึกษาด้วยแล้วก็ปฏิบัติด้วยการให้ทานก็ดีหรือนนว่าเป็นมีอานิสงส์มีผลต้านจิตใจคือมีความสุขการรักษาศีลก็ดีทําให้จิตใจเนี่ยเป็นสมาธิไม่เบียดเบียนใครมีการสงบมีความภูมิภูมิใจในศีลของเราที่ดีสุดก็คือการภาวนาคือการมาเจริญสติการ ทำสมาธิการทำนิพพานาก็มีประโยช น, มยชน์มีประโยชน์ทั้งนั้นคอยเราสำคัญว่าเราต้องลงมือทำแล้วก็ได้ศึกษาเราต้องป้องกันไว้ก่อนเราอย่าประมาทนะการป้องกันที่เหตุดีกว่าการไปแก้ไขที่ปลายเหตุเราเน้นเรื่องการป้องกันเช่นเวลาเรามีความทุกข์เร า, าจะไปแก้ไขความทุกข์เนี่ยแต่แล้วว่าเราไปแก้ที่ปลายเหตุลนะ มันทีมันก็หนักหนาสาหัสมันทีแก้ไขไม่ได้เลย ส, er. ส่วนเราป right? ้องกันทุกไปก่อนดีกว่าการป้องกันความทุกการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาเป็นการป้องกันความทุกดีกว่าการแก้ไขที่เหตุเราป้องกันความเจ็บไข้ได้ป่วยยังดีกว่าการรักษาความป่วยไข้การรักษาที่รักษาไม่ได้รักษาไม่หายก็มีนะนันการป้องกันป้องกันความป่วยไข่มีวิธีการต่าง เราศึกษาและเราป้องกันป้องกันที่เหตุจะได้ไม่ต้องไปแก้ที่ผลหรือปลายเหตุเพราะฉะนั้นการภาวนาการเจริญสติเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากสติคือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อยแล้วก็เท่ากับเราขาดชีวิตเจริญเอาไว้ให้มากๆเรายังไม่มีความทุกข์ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกเราป้องกันไปก่อนเตรียมสติเตรียมปัญญ า, าไว้ป้องกันเอาไว้ย่อมดีกว่าการที่เราจะไป แก้ไขที่ปลายเหตุ